พระบัญญัติ728ก็ภิกษุณีใดกล่าวอย่างนี้ว่าน้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายจงอยู่ครุกคลีกันอย่าแยกกันอยู่ภิกษุณีเหล่าอื่นผู้มีความประพฤติอย่างนี้มีกิติศัพท์อย่างนี้มีชื่อเสียงอย่างนี้มักเบียดเบียนภิกษุณีสง์ปกปิดโทษของกันและกันไว้ก็มีอยู่ในสงสงก็ไม่ได้ว่ากล่าวพวกเธอเลยสงได้แต่ว่ากล่าวพวกท่านเท่านั้นด้วยความดูหมิ่นเหยียดหยาม ด้วยความไม่พอใจด้วยการข่มขู่เพราะพวกท่านอ่อนแออย่างนี้ว่าน้องหญิงทั้งหลายอยู่ครุกคลีกันมีความประพฤติเลวทรามมีกิตติศัพท์ในทางเสื่อมเสียมีชื่อเสียงไม่ดีมักเบียดเบียนภิกษุณีสง์ปกปิดโทษของกันและกันน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจงแยกกันอยู่เถิดสงย่อมสรรเสริญการแยกกันอยู่ของน้องหญิงทั้งหลายเท่านั้นภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลาย เพงว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่าน้องหญิงท่านยาว่ากล่าวอย่างนี้น้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายจงอยู่คลุกคลีกันอย่าแยกกันอยู่ภิกษุณีแม้เหล่าอื่นผู้มีความประพฤติอย่างนี้มีกิติศัพท์อย่างนี้มีเชื่อเสียงอย่างนี้มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ชอบปกปิดโทษกันไว้ก็มีอยู่ในสงฆ์สงฆ์ก็ไม่ได้ว่ากล่าวภิกษุณีเหล่านั้นเลยได้แต่ว่ากล่าว พวกท่านเท่านั้นด้วยความดูหมิ่นเหยียดยามด้วยความไม่พอใจด้วยการข่มขู่เพราะพวกท่านอ่อนแออย่างนี้ว่าน้องหญิงทั้งหลายอยู่คลุกคลีกันมีความประพฤติเลวทรามมีกิริศัพท์ในทางเสื่อมเสียมีชื่อเสียงไม่ดีมักเบียดเบียนภิกษุณีสงศ์ปกปิดโทษของกันและกันน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจงแยกกันอยู่เถิดสงย่อมสรรเสริญการแยกกันอยู่ของน้องหญิง ภิกษุณีอันภิกษุณีทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอยู่อย่างนี้ก็ยังยืนยันอยู่อย่างนั้นภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายเพิ่งสวดสมุภาพจบสามครั้งเพื่อให้สละเรื่องนั้นถ้าเธอกำลังถูกสวดสมุภาพกว่าจะครบ3ามครั้งสละเรื่องนั้นได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สลัแม้ภิกษุณีนี้ก็ต้องทาคือสังฆาทิเศษที่ชื่อว่า ยาวัตติยกะนิสรณียะเรื่องภิกษณีทุลนันธาจบ